จำแนกโดยส่วนประกอบการคิดจำแนกแบบนี้คือวิเคราะห์แยกยกออกไปให้รู้เท่าทันภาวะที่สิ่งนั้นๆเกิดขึ้นจากองค์ประกอบย่อยๆต่างๆมาประชุมกันเข้าไม่ติดตันอยู่แค่ภายนอกหรือถูกลวงโดยภาพรวมของสิ่งนั้นๆเช่นแยกยาต์บุคคลออกเป็นนามและรูปเป็นขันห้าและแบ่งซอยแต่ละอย่างแต่ะละอย่างออกไป จนเห็นภาวะที่ไม่เป็นอัตตาเป็นทางรู้เท่าทันความจริงของสังขารธรรมทั้งหลายวิพัชวาธะแงนี้ตรงกับวิธีคิดอย่างที่สองคือวิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบที่กล่าวแล้วข้างตน้นจึงไม่จําเป็นต้องบรรยายอีกเดิมทีเดียวคําว่าวิพัชวาธะท่านไม่ได้มุ่งใช้ในความหมายแงนี้แต่ในคมภีรุ่นหลังท่านใช้สาบคลุมถึงด้วย จึงนำมากล่าวรวมไว้